จเจริญอรทั้งผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสามมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีล มาฝังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมพราอมีความศรัทธาความเชื่อใน พ, พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของการทําบาปก็มีจริงก็คือนรกผลของการทําบุญก็มีจริงก็คือสวรรค์ แต่เราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่านรกกับสวรรค์นี้เป็นอย่างไรเราอาจจะคิดว่าเป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพหรือเชียงใหม่แต่ความจริงนรกหรือสวรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ภายในใจของเราเหมือนกับถ้าใจของเราเป็นเหมือนบ้านในบ้านเราก็มีหลายห้องด้วยกัน มีห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวห้องเก็บข้าวเก็บของในใจของเรานี้ก็มีห้องต่างๆห้องต่างๆนี้เราให้ชื่อว่าภพภพในใจนี้ก็มีอยู่สามภพที่เรียกว่าไตรภพมีกามภพรูปภพและอรูปภพคือมีสถานที่ท มีที่มีความสุขมีสถานที่ที่มีความทุกข์มีสถานที่ที่มีความสงบมีสถานที่ที่ไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขอย่างเดียวอยู่ภายในใจของเราคําว่านรกก็เป็นเหมือนห้องที่มีแต่ความร้อนมีแต่ความทุกข์ทรมานใจส่วนสวรรค์นี้ ก็เป็นเหมือนห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศเข้าไปในห้องนี้แล้วก็จะมีแต่ความเย็นและความสบายมีใ น, ในใจของเรานี้จึงมีหลายห้องด้วยกันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปในห้องไหนการที่เราจะเข้าห้องต่างๆนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเช่น ว, วันนี้เรามาทําความดีมาทําบุญ เราก็เข้าไปในห้องปรับอากาศทำให้จิตใจเรามีความสุขมีความเย็นความสบายห้องปรับอากาศนี้ทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นสวรรค์นะดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าสวรรค์อยู่ในอกเทอกอยู่ในใจไม่ได้เป็นสถานไม่ได้เป็นสถานที่ต่างๆเช่นอยู่บนโลกพระจันทร์ หรืออยู่ในดวงอาทิตย์นั่นไม่ใช่เป็นเป็นที่ของบุญของบาปคือของนรกหรือของสวรรค์นรกและสวรรค์นี้อยู่ในใจพระนิพพานานี้ก็อยู่ในใจพรหมโลกนี้ก็อยู่ในใจถ้าเราทาจิตให้สงบเข้าสู่สมาธิได้เราก็เข้าสู่พรหมโลกเข้าไปสู่ ในห้องที่มีแต่ความสงบเงียบไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจแต่ถ้าเราทําบุญอย่างนี้ก็เราก็จะเข้าไปในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศแต่จะมีเครื่องบันเทิงให้เราได้สัมผัสเช่นมีวิดีโอให้เราดูมีเครื่องเสียงให้เราฟังแต่ถ้าเราเข้าไปในห้อง ที่มีแต่ความร้อนก็จะมีแต่สิ่งที่เป็นภัยต่างๆทำให้จิตใจของเรานั้นว้าหุ่นขุ่ ม, มัวเดือดร้อนไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือความหมายของบุญและบาปนารกและสวรรค์อยู่ที่ในใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเราจะไปหาสวรรค์บนในอวกาศเราจะหาไม่เจอ ถ้าเราจะไปหานรกด้วยการขุดหลุมเข้าไปในโลกนี้เราก็จะไม่เจอนรกแต่ถ้าเรามองมาที่ใจของเราเราจะเห็นนรกเห็นสวรรค์อยู่เรื่อยๆเพราะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ห้องไหนเป็นประจำวันนี้บางเวลาเราก็เข้าห้องห้องปรับอากาศบางเวลาเราก็เข้าห้องที่มีความรุ่มร้อน บางเวลาเราก็เข้าห้องที่มีความเงียบสงบ น, <Yeah. S 1> นี่คือการกระทาของเราขึ้นอยู่ว่าเราทำอะไรตอนนี้เราเข้าห้องปรับอากาศกันเรามาทำบุญมารักษาศีลอย่างนี้เรียกว่าเราเข้าห้องปรับอากาศกันแต่ถ้าเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเสพสุรายาเมาไปประพฤติผิดประเวณี เราก็จะไปเข้าห้องที่มีแต่ความร้อนถ้าเรามานั่งสมาธิทําจิตใจของเราให้สงบเราก็จะเข้าห้องที่มีแต่ความเงียบมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นถ้าเราจเจริญปัญญาพิจารณาใกลักษณ์อนิจจังทุกขังนัตตาแล้วปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เป็นใจลักษณ์เช่นร่างกายของเรา ถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายของเรามันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตายางความต้องการของเราได้ถ้าเราทำใจยอมรับความจริงอันนี้ได้คือมันจะแก่ก็ให้มันแก่ไปมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มันเจ็บไปมันจะตายก็ให้มันตายไปใจของเราก็จะเข้าสู่ ห้องพระนิพพานคือห้องที่ดับความทุกข์ห้องที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขอยู่อย่างเดียวแต่นิพพานของเราตอนนี้ยังไม่นิพพานถาวรเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเราอาจจะตัดได้บางส่วนเช่นเราอาจจะตัดเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองได้ปรองว่าเป็นของนอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้ ก็เลยทำพินัยกรรมยกให้กับลูกหรือให้กับใครที่เราอยากจะให้ไปใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความกังวลกาวายกับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าเราตรงตายได้ยอมปล่อยให้ร่างกายนี้ตายได้มันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปเราก็จะเข้าสู่นิพพานอีกระดับหนึ่ง นิพพานนี้มันมีหลายระดับคือการดับทุกข์นี้มีหลายระดับถ้าดับได้ทบท้วนบริบูรณ์เราก็เรียกว่านิพพานที่สมบูรณ์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็ยังไม่ได้เป็นนิพพานที่สมบูรณ์ก็เป็นการดับตามขั้นต่างๆก็จะทําให้จิตของเรามีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับนะทั้งหมดนี้อยู่ที่การประคฤติของเรา ทางกายทางวาจาและทางใจนี้เท่านั้น <Yeah. S 1> การประพฤติทางกายและทางวาจานี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทาการประพฤติทางใจถ้าไม่มีใจการกระทำทางวาจาและทางกายก็จะเป็นไปไม่ได้เช่นคนที่ตายแล้วนั้นไม่มีใจเป็นผู้สั่งการให้พูดหรือให้ทาอะไรคนตายจึงต้องนอนอยู่เฉย อยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นถ้าจะไปไหนก็ต้องมีใจของคนอื่นสั่งการให้ยกร่างกายของคนตายนี้ไปเช่นสับปเปลือก็จะมายกร่างกายนี้เอาไปใส่ในโรงแล้วก็เอาไปใส่ในเมนจุดไฟเผาจนกระทั่งกายเป็นที่เท่าที่ฐานไปเพราะว่าร่างกายอันนี้ไม่มีเจ้าของแล้วเจ้าของคือใจ ที่เคยคิดว่าเป็นคิดว่าร่างกายเป็นของตนนั้นได้แยกออกจากกันแล้วไม่สามารถที่จะมาสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆได้อีกต่อไปใจนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งการแล้วก็เป็นผู้ที่รับความสุขและรับความทุกข์จากการสั่งการของใจถ้าใจฉลาด ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสั่งให้ปล่อยร่างกายนี้อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราดูแลมันไปเหมือนกับเราดูแลรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์เสียเราก็ซ่อมมันไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็โยนทิ้งไปร่างกายนี้ก็เหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาได้ก็รักษาไปมีปัญญาไปหาหมอไปซื้อยามารับประทานมารักษาก็ดูแลกันไปแต่ถ้าหมอบอกว่ารักษาไม่ได้ยารักษาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราถ้าปล่อยแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เข้าไปในห้องที่มีแต่ความรุ่มร้อนไม่เข้าไปในนรก ใจของเราก็จะไปเข้าในห้องใดห้องหนึ่งอาจจะเป็นห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีความสงบเงียบหรือห้องที่ไม่มีความทุกข์เลยขึ้นอยู่กับการปล่อยวางขึ้นอยู่ที่การความคิดของใจพระพุทธศาสนาที่มาสั่งสอนพวกเรานี้ก็มาสั่งสอนให้พวกเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรา ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี่เป็นความคิดเป็นความเห็นที่เกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวแต่มันให้ความทุกข์กับเราด้วยและเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันแต่เราไม่รู้กันเพราะเราไม่ฉลาด เราเป็นเหมือนปลาที่ไม่รู้ว่ามีเบ็ดนั้นซ่อนอยู่ภายใต้เหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเราไม่รู้ว่าถ้าเราหุบเหยื่อเข้าไปแล้วเราจะต้องหุบตะขอเบ็ดมาเกี่ยวคอเราด้วยฉันใดสิ่งต่างๆที่เราหลงคิดว่าดีหลงคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา <c oughs> เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายนี้ เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดพอเราไปฮุกเหยื่อแล้วเราก็จะถูกตะขอเบ็ดี้เกี่ยวคอพอเราไปยึดไปติดกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วทีนี้เราก็ต้องมาว่าวุ่นขุ่นมัวมาทุกมากังวลกับลาบยศสรรเสริญสุขพราเมื่อเราได้อะไรมาแล้วเราก็จะต้องหวงจะต้องหวง แล้วก็จะต้องเสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นอยู่ภายใต้กฎอนิจจ์คือความไม่เที่ยงอยู่ภายใต้กฎอนัตตาคือไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครที่จะมาสั่งการให้เป็นไปตามความต้องการได้เขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขามีเจริญก็มีเสือ่อม เช่นมีร่างกายพอเกิดมาในตอนต้นก็มีการจเจริญเติบโตจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่พอโตจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะต้องชะลาภาพจะต้องแก่ลงไปทีละเล็กเท่าน้อยแล้วในที่สุดก็จะต้องตายร่างกายก็จะต้องแยกออกจากกันส่วนต่างๆที่มารวมกันก็คือดินน้ำหุนไฟก็จะแยกออกจากกันไป ไม่มีใครสามารถสั่งการไม่ให้ร่างกายเป็นอย่างนี้ได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนี้ของแต่ละคนนี้ต่างกันอยู่ที่ว่าฉลาดหรืองโง่ถ้างโง่ก็จะยึดติดจะหวงจะห่วงจะเศร้าโศกเสียใจ เวลาเกิดการสูญเสียร่างกายนี้ไปแต่ถ้าฉลาดรู้ทันว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของมันใจนั้นก็จะไม่ทุกข์ใจไม่ว้าวุ่นขุ่นโใจนั้นจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ร่างกายแก่ก็มีความสุขร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความสุขร่างกายตายก็มีความสุขนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวงทั้งหลายเป็นอย่างนี้ใจของท่านได้เข้าไปในห้องที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นเองเป็นห้องที่ไม่มีความทุกข์สามารถเล่นลอดเข้าไปได้ถ้าเรา ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนปล่อยวางสิ่งต่างๆเราก็จะเข้าไปในห้องนั้นได้อย่างวันนี้เราก็มาปล่อยวางของที่ง่ายก่อนคือของภายนอกกายเราเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเรามีเหลือกินเหลือใช้เราก็เลยไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไว้ทำไมเราก็มาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือสอนให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะมันเป็นของนอกกายแล้วก็เป็นของที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไปยึดไปติดท่านสอนให้เราเก็บไว้เท่าที่จำเป็นมีเพื่อที่จะได้อยู่ต่อไปได้เช่นให้มีปัจจัยสี่ มีบ้านมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มจะมีมากมีน้อยก็ควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมมีมากก็ยังจะต้องมีความกังวลมากมีน้อยก็มีความกังวลน้อยอย่างนักบวชนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีเพียง8ชิ้นก็อยู่ได้ให้มีบาตรไว้ใบหนึ่งไว้สำหรับหาอาหารมา รับประทานให้มีผ้าไต่สามผืนไว้หมไว้นุ่งหม่มปกป้องร่างกายให้มีที่กรองน้ำเวลาที่จะต้องตักน้ำในป่าในลาทารที่อาจจะมีตัวสัตว์ก็ต้องกรองก่อนไม่ให้เอาตัวสัตว์เข้ามารับประทานเพราะจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้มีประคตเอวก็คือที่เป็นเข็มขัดรัดเอว พอสมัยก่อนไม่มีกระดุมไม่มีซิปเนี่ยผมผ้านี้จะต้องพับแล้วก็ใช้เข็มขัดนี่รัดเอวไว้แล้วก็ให้มีเข็มกลับได้ไว้สำหรับปะซ่อมจีวรเวลาขาดแล้วก็ให้มีใบไม่โกนมีโกนเอาไว้สำหรับตรงผม ต, ตรงหนวดนี่คือสมบัติของผู้ที่ ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เอาเพียงเท่าที่จาเป็นจริงๆเท่านั้นบ้านก็ไม่ต้องมีก็อยู่ได้นักบวชในสมัยพระพุทธกาลนี้ท่านอยู่ตามโคนไม้กันอยู่ในป่าอยู่ตามถ้งอยู่ตามเรือนร้างท่านอยู่ได้ท่านชอบอยู่ในสถานที่แบบนั้นเพราะเป็นสถานที่สงบวิเวก ห่างไกลจากความยั่วยุนของลูกเสียงตินรสต่างๆที่จะมาคอยสร้างความทุกข์สร้างความอยากให้แก่ใจท่านจึงต้องปิดเว่เว่ยเพราะท่านต้องการทําใจให้สงบท่านต้องการเข้าห้องที่มีแต่ความสงบห้องที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือเรื่องของการมี สิ่งของไว้ใช้เท่าที่จำเป็นญาโยมถ้าอยากจะหนีจากความทุกข์ต่างๆก็ต้องทำแบบนี้อย่าวิ่งเข้าหาความทุกข์ด้วยการไปหาซื้อข้าวของต่างๆมาแบบไม่รู้จักพอมีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอพอมีเงินแล้วมือคันทันทีต้องออกไปหาซื้อของใช้ซื้อเสื้อผ้าซื้อขนม ซื้อของเล่นมาบำยุงบำเลอเพราะคิดว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความทุกข์สุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆพอเงินหมดแล้วทีนี้ก็เลือดร้อนนละ้วต้องไปหาเงินมาใหม่หาไปหามาถ้าหาไม่ได้หาไม่พอด้วยวิธีสุดจริตก็จะต้องไปหาด้วยวิธีทุจริต ไปโกหกพ่อแม่ขอเงินพ่อแม่ไปซื้อนู่นซื้นี่หตายความจริงไม่ได้ไปซื้ออย่างที่บอกเช่นเอาไปเรียนไปซื้อหนังสือแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นอย่างนี้ก็เป็นการทำบาปแล้วเป็นการโกหกหลอกลวงเป็นการลักทรัพย์เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาด้วยการหลอกลวงนี่คือเรื่องของการที่เราหลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆ เพื่อมาให้ความสุขกับเราแทนที่เราจะได้ความสุขเรากับได้ความทุกข์ได้ความรุ่มร้อนจิตใจแทนที่จะเข้าห้องเย็นห้องสบายเราก็ต้องไปเข้าห้องร้อนเพราะเวลาเราทำบาปเราโกหกเราก็จะมีความวิตกกังวลกลัวว่าเขาจะจับเราได้ว่าเราทำแล้ว่าเราโกหกแล้วเมื่อเขาถามแทนที่จะยอมรับก็ต้องโกหกเพิ่มไปอีก ก็ยิ่งมีความรุ่มร้อนขึ้นไปย่าง น, นี่คือทางของคนง่ไปอย่างนี้ไปตางความอยากไปทางความหลงหลงในลูกเสียงกลิ่นรสหลงในลาบยศสรรเสริญหลงในการยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราว่าจะให้ความสุขกับเรานี่ไม่ใช่เป็นทางของคนฉลาดคนฉลาดจะเห็นว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เรามีแต่ความว่างุ่นขุนมัวไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ทุกวันนี้มีใครบ้างที่จะบอกว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลไม่มีความวุ่นวายไม่มีความหวาดกลัวถ้ามีก็ ขออนุโมทนาเพราะถ้ามีจริงๆก็จะต้องถือว่าเป็นพระอารหันต์แล้วท่านั้นมีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์กับเรื่องอันไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการมาของเงินทองหรือเป็นการสูญเสียของเงินทองท่านก็ไม่เดือดร้อนเป็นการมาของยศถาบรรดาศัตด์ตำแหน่งต่าง จะมาหรือจะไปท่านก็ไม่เดือดร้อนหรือจะเป็นการมาหรือการไปของการสรรเสริญนินทาท่านก็ไม่เดือดร้อนใครชมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขใครด่าใครตำิก็ไม่รู้สึกว่าจะมีความทุกข์เพราะว่าไม่ได้ไปยึดติดกับคําพูดของคนนั่นเองคนจะพูดอะไรก็เหมือนกับสุนัขเห่าเหมือนนกร้องท่านฟังแบบนั้น ท่านไม่ได้ฟังหนุนพวกเราฟังกันท่านฟังแต่ว่ามันสักแต่ว่าเป็นเสียงเวลานกสุนัขเห่าเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยเวลานกร้องเราไม่เห็นเดือดร้อนหรือดีใจทำไมเวลาคนเขาด่าเราเราทาไมต้องไปเดือดร้อนด้วยเวลาเขาชมเราเราทำไมต้องไปดีใจด้วยมันก็เป็นเสียงลมท่านั้นเองที่ออกมาจากปากมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระเลย ความดีความชั่วนั้นมันอยู่ในตัวเราต่างหากเรามีความดีถ้าไม่มีใครชมเรามันก็ไม่ได้ทาให้ความดีที่มีในตัวเรานั้นหายไปเรามีความชั่วแล้วมีคนชมเราว่าดีมันก็ไม่ได้ทำให้ความชั่วที่มีอยู่ในตัวเราหายไปมันจะหายไปก็อยู่ที่การกระทาของเราถ้าเราเลิกทำความชั่วเราไปความชั่วมันก็จะหายไปถ้าเราทำแต่ความดี เราก็จะมีแต่ความดีอยู่กับเราไปตลอดมันอยู่ที่ตัวเราต่างหากมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเพราะพระพุทธเจ้าและพระอาารันทั้งหลายท่านศึกษาแล้วท่านวิเคราะห์แล้วท่านก็เข้าใจว่าเสียงของคำพูดของคนนี้มันเป็นเพียงเสียงลมเหมือนลมพัดใบไม้แล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนเท่านั้นเองปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่ฉลาด เราไปยึดติดกับคำพูดของผู้อื่นเขาพูดในสิ่งที่ถูกใจเราเราก็ดีอกดีใจเขาพูดในสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจเราเราก็เสียใจ <c oughs> แต่เราไม่เคยดูว่าความเสียใจของเรานี้เกิดจากอะไรกันหนาะ <c oughs> เกิดจากคำพูดของเขาหรือเกิดจากความเสียใจของเราถ้าวิเคราะห์แล้วเราก็จะรู้ว่ามันเกิดจากความเสียใจของเราเอง เราไปรังเกียจคําพูดของเขาเราไปรังเกียจการค า, าราหานินทาของเขาถ้าเราไม่รังเกียจเราก็จะไม่เสียใจหรือถ้าเรายินดีต่อการค า, าราหานินทาเราก็เรากลับจะมีความสุขเวลาใครด่าเราว่าเราเราก็รู้สึกว่าดีถูกอกถูกใจเพราะเราชอบให้คนเขาด่าแต่พวกเราไม่ฉลาดกันเรากลับไม่ชอบให้คนเขาด่า ไม่ชอบให้คนเขาว่าเวลาใครเขาดา่าเขาว่าเราเราก็เลยเกิดความเสียใจขึ้นมาเราอยากจะเราชอบแต่ให้คนชมเราสรรเสริญเรายกย่องเรา <c oughs> เวลาที่เขาไม่ชมหรือสรรเสริญเราก็เสียใจดังนั้นเราถ้าเราอยากจะมีความสุขกับเสียงต่างๆเราก็ต้องชอบเสียงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการเสียง เสียงเก่าชมหรือเสียงตำหนิถ้าเราชอบเราก็จะมีความสุขเสมอนี่คือเรื่องของเราเราไปสั่งให้คนอื่นเขาไม่มาตำหนิเราไม่ได้เราไปสั่งให้เขามาชมเราไม่ได้แต่เราสามารถสั่งใจของเราให้เรามีความสุขกับความตำหนิและกับการสรรเสริญยกย่องเราได้ถ้าเราสอนใจให้เรายินดี รับกับเสียงทุกชนิดเพราะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้แล้วบางทีเราก็หนีจากเสียงนั่นไปไม่ได้เวลาเราต้องฟังเสียงต่างๆก็ขอให้เราหัดทำใจชอบเสียงทุกชนิดหรือถ้าไม่ชอบก็ทำให้ทำใจให้เราเฉยๆไว้ทำใจให้เป็นอุเบกขาการจะทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เราก็ต้องฝึกให้มีสติ คอยดึงใจของเราให้อยู่เฉยๆไม่ให้ไปรักไปชอบไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆนี่เป็นวิธีที่จะทำให้ใจของเราเป็นอุเบกขาวางเฉยได้เช่นให้ใจของเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเวลาเราได้ยินเสียงอะไรก็ตามอย่าไปยินดียินร้ายให้อยู่กับพุทธโธไป ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจแล้วเสียงนั้นก็จะไม่มาลบกวนใจของเราแต่ถ้าเราไม่ไม่อยู่เฉยๆพอเสียงอะไรมาปับ๊บเราก็ไปปรุงแต่งไปรับรู้ทันทีไปรับไปชังขึ้นมาทันทีเราก็จะเกิดความว้าวุ่นขุ่นหัวขึ้นมาทันทีเพราะใจของเราไม่ฉลาดไม่รู้จักปล่อยวางนั่นเอง นี่คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างสวรรค์สร้างความสุขให้กับใจเราต้องรู้จักปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างการปล่อยวางนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้อยู่กับอะไรเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทรัพสม บ, บัติข้าว ข, ของเงินทองที่เรามีอยู่เราก็ยังอยู่กับเขาได้คนต่างๆที่เราอยู่กับเขาตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเขาได้แต่เราต้อง รู้ว่าสักวันหนึ่งเรากับเขาก็ต้องแยกทางกันไปเราก็ต้องทําใจให้ได้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราต้องแยกทางกันไปวิธีหนึ่งที่เราจะรู้ว่าเราทําใจได้ไม่ได้ก็คือเราต้องซ้อมไว้ก่อนคือเราต้องแยกอยู่กับเขาชั่วคราวก่อนเช่นไปอยู่วันตามลาพังสักระยะหนึ่งอยู่สักเดือนสองเดือน สักปีสองปีดูว่าเรายังคิดถึงเขายังห่วงเขายังทุกข์กับเขาอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็อย่าพุ่งกลับไปให้อยู่จนกว่าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ทุกข์แล้วเราถึงค่อยกลับไปอยู่กับเขาหรือไปพบเขาแล้วตอนนั้นเราจะไม่รู้สึกอะไรกับเขาพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงออกบวชก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยมบิดามารดาในพระราชวัง ต้องอยู่แต่ในป่าให้เขาบำเพ็ญอยู่ถึงหกปีด้วยกันจนในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจของท่านปล่อยวางได้ทุกอย่างปล่อยวางได้หมดไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นราชสมบัติหรือเป็นอะไรก็ตามแม้แต่พระไทยร่างกายของพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์ก็ทรงปล่อยวางได้พอทางในวังมานิมนต์ให้ไป เยี่ยมไปโปรท่านก็เสด็จไปโปรท่า น, นไปอย่างมีความไม่มีความยตดติดกับอะไรไปแล้วไม่มีความรู้สึกอยากจะกลับไปอยู่แล้วอยากจะให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบุญตามกรรมเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเขาอยู่ได้ก็อยู่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องไป แต่สิ่งที่พระ อ, องค์พยายามทำก็คือพยายามสอนให้เขารู้ถึงเคล็ดลับของความสุขของความสิ้นทุกข์ว่าอยู่ที่การปล่องวางพอท่านเทศสอนแล้วก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะปล่อยวางเหมือนพระพุทธเจ้าขอบวชกันเช่นพระราชญาติก็ขอออกบวชกันมีเจ้าชายอยู่ห้ารูป ก็ขอแสดกออกบวชตามพระพุทธเจ้าเพราะเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ในวังไม่ได้อยู่ที่ลาบยศเสริญสุขทางตาหูจมูกมิ้นไกยแต่อยู่ที่การปล่อยวางอยู่ที่การปลงไม่ยึดไม่ติดไม่อยากจะได้อะไรทั้งสิ้นนี่แหละเป็นการ หนุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงและเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะพบกับความสุขที่ถาวรไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวข้องเลยพวกเราก็ต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆให้ได้ดังที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ตอนนี้เราก็มาปล่อยวางเรื่องสมบัติเข้าของเงินทองส่วนหนึ่งแต่แล้ไม่พอเรายังมีเหลืออีกมากเราควรจะกลับไปดูตรวจดูว่าเรามีความจำเป็นกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพืงงไรส่วนที่มันมีเหลือกินเหลือใช้ที่ไม่มีความจำเป็นก็อยากเก็บเอาไว้เพราะมันจะทำให้เราต้องมีความทุกข์การไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมให้คนอื่นนี่แหละ ก็ถือว่ายังไม่ปล่อยวางนั่นเองยังหวงอยู่ยังหวงยังหวงแล้วก็ต้องมาทุกข์กมาเสียดายมาเสียใจขอให้เราดูพระเวชสันดรดนเป็นตัวอย่างท่านสละหมดมีอะไรท่านสละหมดภรรยาท่านก็สละลูกท่านก็สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ท, ท่านก็สละจึงทำให้ท่านได้มาเกิดเป็นเจ้าชายศิทธะแล้วก็ได้ออกบวช จนในที่สุดก็ได้ตัดสรูเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของพวกเราจนถึงทุกวันนี้เพราะการปล่อยวางสิ่งต่างๆนั่นเองเริ่มต้นด้วยที่ที่ลาบยศสารเสริมสุขทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็ปองมาปล่อยวางร่างกายมาปล่อยวางความเจ็บความปวดของร่างกายแล้วก็มาปล่อยวาง ความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจอีกขั้นต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดสิ้นไปไม่ยึดไม่ติดเพราะไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันมีแต่อเป็นแต่ความสุขอย่างเดียวตามใดถ้ามีความสุขที่ตรงไหนก็จะต้องมีความทุกข์ที่ตรงนั้นมีที่เดียวเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขก็คือ ความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราทั้งหลายมีจิตศรัทธามีความเชื่อแล้วพยายามปฏิบัติตามขอให้เราพยายามปฏิบัติให้มากเถอะรับรองได้ว่าเราจะมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆท้ามีการเปลี่ยนแปลง ท่าการความเสื่อมของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเสื่อมของร่างกายของเราที่จะต้องแก่ลงไปตามลาดับที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วที่จะต้องตายไปในที่สุดถ้าเราปรองได้วางได้ปล่อยวางร่างกายได้เวลาร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายเราจะแก่เจ็บตายอย่างสบายใจ หายห่วงไม่มีความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านได้ทำมาแล้วท่านได้พิสูจน์มาแล้วแล้วท่านก็นำมามาสั่งสอนให้กับพวกเราได้ทำตามมันไม่ยากหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกท่านก็เป็นคนเหมือนเราท่านก็มีกิเลสเหมือนเราแต่ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะพ้นทุกข์ จึงทำให้ท่านสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าพวกเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าพวกเราก็จะสามารถปล่อยวางได้จึงขอให้เราทั้งหลายจงนำเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไปพิพจารณาและปฏิบัติ แล้วจิตใจของเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะมีแต่ความสุขโดยถ่ายเดียวการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขแคล้วคลาดปลอดภัย จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากานเธอ